เก้าวิทุระชาดกว่าด้วยวิทุระบัณฑิตบำเพ็ญสัจจะปรมีเทววรุณนาคราชตรัสว่าเธอมีผิวพันธ์เหลืองสู้ผอมถอยกำลังเมื่อก่อนรูปพันธ์ของเธอมิได้เป็นเช่นนี้เลยแน่พระนองวิมาลาพี่ถามแล้วขอเธอจงบอกเวทนาในร่างกายของเธอเป็นเช่นไร พระนางวิมาลาเทวีทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมหมู่นาคในหมู่มนุษย์ชื่อว่าความอยากได้นูน่นอยากได้นี่ความแพ้ท้องเขาเรียกกันว่าเป็นธรรมดาของหญิงทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐสุดในหมู่นาคมอมฉันปราถนาดวงหะไทยของวิธุระบัณฑิตที่บุคคลนำมาได้โดยชอบเพคะ ทาวรุณนาคราชตรัสว่าแนพระนองวิมาลาเธอปรารถนาดวงหาไทยความแพ้ท้องของวิธุระบันดิตดังจะปรารถนาพระจันทร์พระอาทิตย์หรือลมเพราะว่าวิธุระบันดิตยากที่บุคคลจะพบได้ใครจกนำวิธุระบันดิตมาในหน้าพิพพนี้ได้ระนางอิรันธตีทูลถามว่า ข้าแต่เสด็จพ่อเหตุไรเน้อเสด็จพ่อจึงทรงซบเศร้าพระพักของเสด็จพ่อเป็นเหมือนดอกประทุมที่ถูกขยำด้วยมือข้าแต่เสด็จพ่อผู้เป็นใหญ่เป็นที่เกรงขามของศัตรูเหตุไรเน้อเสด็จพ่อจึงทรงเป็นทุกข์พระไทยอย่าทรงเศร้าโศกไปเลยเพคะท้าววรุณนาคราตรัสว่าอิรันทตีลูกรัก ก็พระมารดาของเจ้าปราธนาดวงหาไทยของวิทุระบันดิตเพราะวิทุระบันดิตยากที่บุคคลจะพบได้ใครจกนำวิทุระบันดิตมาในนาพิภ พ, พ, พนี้ได้เจ้าจงไปเที่ยวสแสวงหาสามีซึ่งสามารถนำวิทุระบันดิตมาในหน้าพิภ พ, พ, พนี้ก็นางนาคมานวิกานั้นได้สดับพระดารัสของพระบิดาแล้ว เป็นผู้มีจิตชุ่มด้วยกิเลสออกเที่ยวสแสวงหาสามีในคืนนั้นนางอิรันทตีกล่าวว่าคนทันรากสดนาค ก, กินนอนหรือมนุษย์ใครเป็นผู้ฉลาดสามารถจะให้สิ่งที่น่าใคร่ทั้งปวงได้ผู้นั้นจกเป็นสามีของเราตลอดกาลนานพุนกะยักษ์กล่าวว่าแน่ นางผู้มีในตาหาทิ่ติไม่ได้เธอจงเบาใจเถิดเราจะเป็นสามีของเธอจะเป็นผู้เลี้ยงดูเธอด้วยปัญญาของเราอันสามารถจะนำเนื้อดวงใจของวิธุระบัณดิตมาให้ได้เธอจงเบาใจเถิดเธอจะเป็นภรรยาของเราพระศาสดาตรัสว่านางอิรันทตีผู้มีใจกำหนัดรักใคร่ เพราะเคยอยู่ร่วมอภิรมกันมาในพบก่อนได้กล่าวกับปุณกะยักษ์ว่ามาเถิดท่านเราจะไปในสำนักพระบิดาของดิชันพระบิดาของดิชันจักตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่ท่านนางอิรันทตีประดับประดานุ่งผ้าเรียบร้อยทัดทรงดอกไม้ประพรมด้วยจุนแก่นจันจูงมือปุณกะยักษ์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 ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอได้ทรงพระกรุณารับสินสอดนั้นคือช้างหนึ่งรเชือกม้าหนึ่งรตัวรถเทียมมา100้าหนึ่งรคันเกวียนบรรทุกของเต็มล้วนแก้วต่างๆหนึ่งรอยเล่มเกวียนขอได้โปรดพระราชทานพระราชธิดาอิรันทตีแก่ข้าพระองค์เถิดพระเจ้าข่าท้าวรุณตรัสว่า ขอท่านจงรออยู่จนกว่าเราจะได้ปรึกษาหารือกับบรรดาญาติมิตรและเพื่อนที่สนิทเสียก่อนกรมที่กระทําด้วยการไม่ปรึกษาหารือย่อมเดือดร้อนในภายหลังลำดับนั้นท้าวรุณนาคราชสเสด็จเข้าไปยังนิเวศตรัสปรึกษากับพระชายาแล้วได้ตรัสคำนี้ว่าปุญกะยักษ์มาขอลูกอิรันทตีกับเรา เราจะให้ลูกอิรันทตีซึ่งเป็นที่รักของเราแก่ปุณณะยักษ์นั้นเพราะได้ทรัพย์เป็นจํานวนมากหรือพระนางวิมมะลาเทวีตรัสว่าปุณณะยักษ์ไม่พึงได้ลูกอิรันทตีของเราเพราะทระัพย์เพราะสิ่งที่ปลื้มใจแต่ถ้าปุณณะยักษ์ได้หัทไทยของวิธุระบัณฑิตแล้วนํามาในนาคพิภพนี้โดยชอบธรรม เพราะความชอบนั้นเขาจะพึงได้ลูกสาวของเราม่อมฉันไม่ปรารถนาทรัพย์อื่นยิ่งไปกว่าหัตไทยของวิธุรบัณฑิตลำดับนั้นท้าวรุณนาคราชสเสด็จออกจากนิเวศแล้วตรัสเรียกปุณกะยักษ์มาตรัสว่าท่านไม่พึงได้ลูกอิรันธตีของเราเพราะทรัพย์เพราะสิ่งที่ปลื้มใจถ้าท่านได้หัตของวิทุรบัณฑิตแล้ว นำมาในหน้าพิภพนี้โดยชอบธรรมเพราะความชอบนั้นท่านจะพึงได้ลูกสาวของเราเราไม่ปรารถนาทรัพย์อื่นยิ่งไปกว่าหทัยของวิตรบัณฑิตปุญกะยักษ์ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสรศิฐในโลกนี้คนบางพวกย่อมเรียกคนใดว่าเป็นบัณฑิตคนพวกอื่นกลับเรียกคนนั้นนั่นแหล ว, ว่าเป็นผาน ในเรื่องนี้คนทั้งหลายยังกล่าวแย้งกันอยู่ขอได้ตรัส บ, บอกแกข้าพระองค์พระองค์ทรงเรียกใครว่าเป็นบัณฑิตนาคราตรัสว่าบัณฑิตชื่อว่าวิทุระผู้ทำการสั่งสอนอัตธรรมแกพระเจ้าท น, นชัยโกรพยราชถ้าท่านได้ฟังได้ยินมาแล้วท่านจงไปนำบัณฑิตนั้นมาครั้นท่านได้มาโดยธรรมแล้ว อิรันตีทิดาของเราจงเป็นภรรยาของท่านเถิดภายปุณกะยักษ์ได้สดับพระดำรัสของท้าววรุณนาคราชดังนี้แล้วยินดียิ่งนักลุกขึ้นแล้วไปสั่งบุรุษคนใช้ของตนผู้อยู่ในที่นั้นว่าเจ้าจงนำม้าอาชาในที่เตรียมไว้แล้วมาณที่นี้ ม้าสินทบอาชาในนั้นมีหูทั้งสองประดับด้วยทองคากีบหุ้มด้วยแก้วแดงมีเครื่องประดับ อ, อกล้วนแล้วด้วยทองชมพูนุษย์อันสุกใสพระศาสดาตรัสว่าอุณกยักษ์ผู้ประดับประดาแล้วแต่งผมและหนวดดีแล้วขึ้นมา้าอันเป็นยานพาหนะของเทวดาเพะไปในอากาศกลางหาว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 เพราะการนำดวงหาไทยของวิทุระบัณฑิตไปถวายแล้วท้าววรุณนาคราชและพระนางวิมลลาจะพระราชทานพระนางอิรันทตีราชธิดาแก่ข้าพระองค์อุนกะยักษ์นั้นทูลลาท้าวกุเวระเวสว ร, ร์ผู้เรืองยศผู้เป็นใหญ่ในหมู่ยักษ์แล้วไปสั่งบุรุษคนใช้ของตนผู้อยู่ในที่นั้นว่า เจ้าจงนําม้าอาชาไนที่เตรียมแล้วมาณที่นี้ม้าสินทบอาชาไนนั้นมีหูทั้งสองประดับด้วยทองคำกีบพุ่มด้วยแก้วแดงมีเครื่องประดับ อ, อกล้วนแล้วด้วยทองชมพูนุษย์อันสุกใสพุณกะยักษ์ผู้ประดับประดาแล้วแต่งผมและหนวดดีแล้วขึ้นมา้าอันเป็นยานพาหนะของเทวดาพอไปในอากาศกลางหาว พุนกะยักษ์นั้นได้เหาะไปสู่กรุงราชครือันน่ารื่นรมยิ่งนักเป็นนครของพระเจ้าอังคาราชอันพวกข่าศึกเข้าถึงลำบากมีพักษาหารและข้าวน้ำมากมายดังพบของเท้าวาสวะชื่อว่ามัสกะสาระเป็นนครกึกก้องด้วยหมูนกยูงและนกกรเรียนอื้ออึงด้วยฝูงนกต่างๆชนิด เป็นที่เสพอาศัยของฝูงทิชาชาติมีนกต่างๆส่ ง, งเสียงร้องอยู่อื้ออึงมีเนินราเปียบดารดาษไปด้วยบุพชาติดังขุนเขาหิงมะวันคุณกะยักษ์นั้นขึ้นสู่วิบุละบรรพศอันเป็นภูเขาศิลาล้วนเป็นที่อาศัยอยู่ของหมู่กินนอนเที่ยวแสวงหาแก้วมณีดวงประเสริฐอยู่ ได้เห็นดวงแก้วมณีนั้นณท่นะามกลางยอดภูเขาอุณกะยักษ์ครั้นเห็นดวงแก้วมณีมีรสมีแวววาวเป็นแก้วมณีอันพิเศษสุดสามารถจะนำทรัพย์มาให้ได้ดังใจปรารถนารุ่งโรดชัชวาลด้วยหมู่แก้วมีบริวารเป็นอันมากสว่างสวัยดังสายฟ้าแลบในอากาศอุณกะยักษ์ ได้ถือเอาแก้วมณีชื่อมโนหระจินดาอันมีค่ามากมีอนุภาพมากนั้นเป็นผู้มีวั น, นะไม่สามขึ้นหลังมาสินทบอาชาในแล้วเหาะไปในอากาศกลางหาวอุ น, นกะยักษ์นั้นได้เหาะไปยังอินทปัตถนครลงจากหลังมาแล้วเข้าไปสู่ที่ประชุมของชาวกุรุรัต ไม่กลัวเกรงพระราชาหนึ่งร้ยหนึ่งพระองค์ที่ประชุมพร้อมเพรียงกันอยู่ณที่นั้นกล่าวท้าทายด้วยการพนันว่าบรรดาพระราชาในราชสมาคมนี้พระองค์ไหนหนอจะทรงชิงเอาแก้วอันประเสริฐของข้าพระองค์ได้หรือว่าข้าพระองค์จะพึงชนะพระราชาพระองค์ไหนด้วยทรัพย์อันประเสริฐอันหนึ่ง ข้าพระองค์จะชิงเอาแก้มณีอันประเสรฐยิ่งกับพระราชาพระองค์ไหนหรือพระราชาพระองค์ไหนจะทรงชนะข้าพระองค์ด้วยทรัพย์อันประเสริฐพระเจ้าทนันชัยตรัสว่าชาติภูมิของท่านอยู่ในแว่นแคว้นไหนถ้อยคําของท่านนี้ไม่ใช่ถ้อยคาของชาวโกรพะยะเลยท่านมิได้กลัวเกรงเราทั้งปวงด้วยรัศมีแห่งผิวพันธ์ ท่านจงบอกชื่อและพวกค้องของท่านแก่เราปุณกะยักษ์ทูลว่าข้าแต่พระราชาข้าพระองค์เป็นมนุษย์ชื่ออนุณะกัจจายนโคดญาตและพวกพ้องของข้าพระองค์ผู้อยู่ในนครกาลจจำปากะแคว้นอังคะย่อมเรียกข้าพระองค์อย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ข้าพระองค์มาถึงเมืองนี้ด้วยต้องการจะเล่นการพนันพระเจ้าทนันชัยตรัสว่าพระราชาผู้ทรงชนานาญการเล่นการพนันเมื่อชนะท่านจะพึงนาเอาแก้วเหล่าใดไปแก้วเหล่านั้นของมนุษย์มีอยู่หรือแก้วของพระราชามีอยู่เป็นจํานวนมากท่านเป็นคนเข็นใจจะมาพนันกับพระราชาเหล่านั้นได้อย่างไร อุณกะยักษ์ทูลว่าแก้วมณีของข้าพระองค์ดวงนี้ชื่อว่าสามารถนําทรัพย์มาให้ได้ดังใจปรารถนานักเลงเล่นการพนันชนะข้าพระองค์แล้วพึงนําแก้วมณีดวงประเสริฐที่สามารถนําทรัพย์มาให้ได้ดังใจปรารถนาและม้าอาชาในตัวเป็นที่เกรงขามของศัตรูนี้ไปพระเจ้าทนันชัยตรัสว่า แนมานพแก้วมณีดวงเดียวจะทําอะไรได้อนหนึ่งม้าอาชาในตัวเดียวจะทําอะไรได้แก้วของพระราชามีเป็นอันมากม้าอาชาในที่มีกําลังรวดเร็วดังลมของพระราชามีมิใช่น้อยโทหัลกันจบ